ตอนวิบากกรรมวันที่14ี่เมษายน 2,562 ประเพณีที่สวยงามของคนไทยเราคือวันปีใหม่ไทยเรียกว่าวันสงการเริ่มจากวันที่ 13, 14, 15ี่ห้านะรวมแล้วเป็นวันปีใหม่ของไทยแล้วก็เป็นวันผู้สูงอายุนะแล้วก็เป็นวันครอบครัว มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะสังคมครอบครัวคืออยู่กันแบบเป็นครอบเป็นครัวนะแต่มนุษย์ยุคนี้เราวิ่งตามกระแสทุนนิยมวัตถุนิย ม, ะ น, ยมนะก็วิ่งไปตามอนาคตลูกคนนึงไปที่โน่นลูกคนหนึ่งไปที่นี่ส่งไปเพื่ออนาคตนะลูกคนั้นก็คิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็คิดถึงลูกความเป็นครอบครัวล่มสลายนะเพราะ เราเอาอนาคตเป็นใหญ่เราไม่เอาชีวิตครอบครัวเป็นใหญ่ความสุขแบบอบอุ่นแบบครอบครัวก็ล่มสลายนะตอนนี้เป็นแบบนั้นทีนี้เมื่อนเป็นแบบนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรนะคาตอบคือทาใจแล้วก็อยู่กับมันอย่างระวังถ้าเราอยู่แบบครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งนี่มีทั้งปู่ย่าตายายหมายถึงผู้อาวุโสผู้ผ่านโลกมาก่อนผู้มีประสบการณ์ คนหนุ่มสาวคือหมายคือนะไคือผู้มีกำลังนะะผู้มีกาลังแล้วเราก็มีเด็กๆลูกหลานนะผู้อะไรละ่ะผู้ยังเยาว์วัยถ้าอยู่แบบครอบครัวยังหนุ่มสาวถ้าชีวิตเกษตรกรรมก็ลงไล่ลงนาปู่ย่าตายายก็ดูแลลูกหลานอยู่ที่บ้านนะให้ข้อคิดให้คำแนะนำจากประสบการณ์นะ ดูแลความปลอดภัยนะหนุ่มสาวออกไปก็คือพ่อแม่ออกไปไล่ไปนาไปสวนก็ไม่ต้องกังวลนะพอตอนเย็นกลับมาปุ๊บทุกคนในครอบครัวก็นั่งพร้อมหน้ากันทานข้าวกันนะคุยกันมีปัญหาอะไรปรึกษากันนั่นคือชีวิตครอบครัวแต่ตอนนี้ครอบชีวิตครอบครัวแบบนี้ล่มสลายนะ 9ก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์กลายเป็นว่าเป็นพ่อหลังเรียกว่าซิงโก้แฟมิลี่นะยกตัวอย่างว่าเกษตรก ร, ร, กรสมัยก่อนมีที่อยู่4ี่ิไร่มีลูกสี่คนนะคนนี้แต่งงานออกเลือนไปก็แบ่งไป1ิบไร่คนนี้แต่งงานก็เอาอไปส0บไร่สิบไร่1ิบไร่ต่างคนตา่างสิบไร่นะพ่อแม่ก็แก่เท่าก็มีแค่ไร่เดียวอยู่ที่บ้าน นะก็ทำสวนครัวทีนี้ลูกแต่งงานไปมีสามีภรรยาสองคนเราต้องสูญเสียแรงงานคนหนึ่งภรรยาเข้าครัวก็มีแรงงานคนหนึ่งผู้ชายคือออกไปทาไส้ทำสวนนะเราทำอาหารจุดเตานึงเราก็เสียฐานเตานึงเสียบุคลากรคนหนึ่งเห็นไม้มมันเริ่มแยกแล้วกลายเป็นว่า แต่และครอบครัวเล็กแรงงานไม่พอพอถึงเวลาดำนาปูข้าวนะสมัยก่อนเรามีพี่น้องหลายคนก็ลงแขกช่วยกันแต่ตอนนี้เราต้องไปทํางานกรุงเทพเอาเงินมาจ้างเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ต้องไปทํางานกรุงเทพก็เอาเงินมาจ้างเพื่อนบ้านจ้างกันไปจ้างกันมาทิ้งครอบครัวกลายเป็นว่าแต่และคนไม่มีกําลังพอ แล้วทุกคนเสียเวลาสมัยก่อนเราอยู่ด้วยกันเราเสียแม่บ้านคนเดียวหุงข้าวหนึ่งกระป๋องกับสี่กระป๋องใช้เตาเดียวใช้คนเดียวแต่ตอนนี้เราต้องใช้สี่คนนี่คือความร่มสลายของครอบครัวใหญ่ไปเอาแบบฝรั่งนะเพราะครูเคยอยู่อเมริกานะเขาเรียกว่าซิงเกิลแฟมิลี่ทุกคนต้องการเสรีต้องการอิสระเพราะวัยรุ่นเราหนุ่มสาวเราเบื่อคนแก่นะ เราจะเปิดเพลงอะไรก็ได้เสียงดังก็ไม่เป็นไรเพราะเราชอบเราได้สิ่งที่เราชอบแต่เราก็สูญเสียอีกหลายๆอย่างเมื่อเรามีลูกน้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สูญเสียแรงงานหนึ่งคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกขาดแรงงานหนึ่งขึ้นมากลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเหมือนเศรษฐกิจมันดีเรียน เ, อเยอะๆเหมือนงินเดือนสูงๆแต่สุดท้ายก็ม อ, อ, อไม่พอค่าใช้จ่ายนะไม่รู้กลับหรือ ย, ยังนะเมื่อวันก่อนมีญาติธรร ท, ทมาจากลาว นะคุณแม่มาจากสวรรคเขตคุณลูกสาวอยู่ปักเซ่นะก็ได้ยินข่าวพ่อครกูก็เดินมาคุณลูกชายก็อยู่สวรรคเขตนะคุณแม่บอกพ่อครูว่าแกมีลูกแปดคนนะคนโบราณเขาเลี้ยงลูกแปดคนจนเจริญเติบโตนะแล้วนะมีญาติที่ทํามาจากเยอรมันเหมือนกันนะบอกว่าอุย้ยเยอรมันสวัสดิการดีใครมีลูกรัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้เด็กไปเรียนแต่ทุกคนไม่กล้ามีลูก แล้วถามว่าคนทุกวันนี้กับคนโบราณนี่ใครเก่งกว่ากันเลี้ยงลูกคนเดียวก็ไม่ได้ยากลาบากนักหนาคนโบราณเขาเลี้ยงลูกแปดคนเห็นไหมเพราะเขาอยู่แบบครอบครัวใหญ่ช่วยกันแต่ตอนนี้ระบบวิถีชีวิตแบบสังคมมนุษย์ที่อยู่กันแบบครอบครัวเน่ยล่มสลายหมดกลายเป็นระบบครอบครัวเดี่ยวต่างคนต่างมีปัญหา นะโดยเฉพาะมีลูกคนหนึ่งก็ปัญหาหนักละนะนี่ก็เล่าให้ฟังนะจนสุดท้ายนี่เนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นลูกหลานเราฝ่ายผู้หญิงที่เราเรียกว่ า, าจาริณีใช่ไหมกัลยาณีใช่ไหมเออฝ่ายชายเรียกว่าอะไรบัณฑิตเห็นไหมพวกนี้เขาคือใครเขาคือลูกหลานคนไทยเรา ลูกหลานคนลาวเราด้วยบางคนมาที่นี่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็เป็นมนุษย์แต่ตอนนี้ทำไมเขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะไม่ว่าคนจนก็เป็นแบบนี้คนรวยมหาเศรษฐีที่กรุงเทพก็เป็นแบบนี้เพราะคนรวยก็ตังการอนาคตลูกส่งไปเรียนอังกฤษเสี่งไปเรียนเยอรมันอะไรนะ่นะลูกก็คิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็คิดถึงลูกนะต่างคนต่างคิดถึงความอบอุ่นก็มี ไม่มีนะเด็กๆทุกคนไปอยู่อเมริกาพราคกูเคยไปผู้ใหญ่ก็ไปเกิดเขาเรียกว่าโฮมซิกสามสี่เดือนแรกนี่เหงามากคิดถึงบ้านนะเพราะเราคิดว่าเราจำเป็นต้องไปแสวงหาอนาคตนั่นะแหละเพื่ออนาคตเราก็ทำลายความเป็นวิถีมนุษย์ซึ่งเป็นธรรมชาตินะยิ่งชีวิตกรุงเทพนะพราคกูเคตอนหนุ่มๆ น, นะ หนุ่มน้อยนะอายุ18ก็ไปค้าขายต่างประเทศแล้วอยู่กรุงเทพเนาะข้างบ้านอยู่ด้วยกันมาหลายปีไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันดีกว่ารู้จักกันแล้วมันวุ่นวายกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่นะตอนนี้สร้างคอนโดอะไรขึ้นมาเยอะแยะเหมือนพึ่งเห็นไหมพึ่งมันทํารังมีคนละรูอะตอนเช้าก็บินออกไปหาก่งกันขึ้นก็กลับรูไครรูมันความเป็นสังคมไม่มี ไม่มีกลายเป็นสังคมเอาวัตถุนิยมเอาวัตถุนี่เป็นตัวตั้งมาแข่งกันว่าใครมีมากกว่าความอบอุ่นแบบเรื่องจิตวิญญาณนี่หายไปนะไม่ต้องตกใจว่าตอนนี้คนในเมืองเป็นโรคภูมิแพ้มากหรือเกินภูมิแพ้ส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียดของเราทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำนะแล้วก็บวกกับพลูชั่นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ไม่ว่าจะมวลภาวะทางอากาศทางเสียงทางน้ำเปื่อนหมดเพราะครูอยู่กรุงเทพตอนนั้นนะ่ะแม่น้ำลำคลองยังใสสะอาดเราเดินทางทางเรือนะมีรถลางกังกังกังกงสมัยโบราณวิ่งช้าชารถก็ไม่ติดแต่ปัจจุบันนี้มันเจริญขึ้นนะถ้าเจริญเป็นแบบนี้พ่อครูคนหนึ่งไม่เอาพ่อครูหนีความเจริญจากอเมริกามาอยู่ในป่า ถ้าจเจริญแล้วมันวุ่นวายจเจริญไปว่าวุ่นวายขึ้นคนมากขึ้นตึกมากขึ้นหนึ่งรถมากขึ้นนะทะเลาะกันมากขึ้นมนลภาวะมากขึ้นจเจริญแบบนี้พ่อครูไม่เอาก็เลยมาอยู่ในป่านี้แล้วตอนนี้ก็เห็นอา น, นิสงส์ของความจเจริญเนี่ยเห็นไหมหนุ่มสาวก็ต้องวิ่งตามเงินสมัยก่อนหนุ่มสาวลงไล่ลงนา ตอนเย็นก็เห็นหน้ากันทุกวันตอนเที่ยงก็มากินข้าวไปเห็นหน้ากันทุกวันตอนนี้หนุ่มสาววิ่งตามเงินไปที่กรุงเทพคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านถ้าเดือนไหนไม่ได้ส่งเงินมาทั้งแก่ทั้งหลานไม่มีจะกินเหมือนเราได้เงินมากขึ้นทำงานแถวนี้ค่าแรงมันต่ำไปางานกรุงเทพค่าแรงมันสูงถ้าแรงสูงค่าใช้ใจ่ายมันก็สูง นะเหมือนเราหลอกตัวเองนะ่ยแล้วสุดท้ายเราก็ขาดทุนคืออะไรขาดทุนอากาศบริสุทธิ์ขาดทุนความสงบเย็นไปดิ้นรนกับไอ้สิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายอย่างนั้นนะ่ะเพราะเราเอาตัวเงินเป็นที่ตั้งแต่เราไม่เอาชีวิตนะนี่ก็เกิดในฟัง่งนะก็สงการปีนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดนะีเป็นวันครอบครัวผู้ใหญ่เราเต้นกันเด็กๆ ก, ก็วิ่งเล่นกันถ้าเราปฏิบัติอย่างอื่นทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ เด็กๆโดนตะเพิดเลยไปไกลๆฉันไม่สงบฉันนั่งสมาธิอยู่ในธรรธมวิ่งทำไมของเราเนี่เด็กยิ่งเยอะยิ่งดีนะเสียงดังก็ดีวุ่นวายก็ยังดีแต่จิตเราสงบนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วไปฝึกสมาธิอยู่ในป่าโอ้สงบนิ่งสบายเงียบไม่มีเสียงดังเลยนะพอออกไปกลับบ้านเนี่ยเจอแม่ค้าด่ากันนี่วีนเลยเพราะว่ารับไม่ไหว เราฝึกแบบหนึ่งแต่เราไปใช้แบบหนึ่งมันถึงไม่ทันการฝึกจิตนี่ต้องฝึกจิตให้อยู่ได้ทุกทุกสถานการณ์เสียงดังเราก็สงบได้เคลื่อนไหวเราก็สงบได้นั่งอยู่เฉยๆก็สงบได้ยืนเดินนั่งนอนเฉยๆก็สงบได้นี่คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการกระทําตามหน้าที่ตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสนะ เวลากินก็กินเวลานอนก็นอนเวลาหายใจก็หายใจเห็นเราหายใจนี่เราปฏิบัติธรรมมันไม่มากเรื่องมันไม่ต้องไปฝึกวิธีหายใจเกิดมามันก็หายใจได้แล้วนี่คือธรรมะธรรมชาติมันไม่มากเรื่องแต่เรานี่ไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยเห็นไหมดีใจก็ลงใจตกใจก็ลงใจเสียใจก็ลงใจเศร้าใจก็ลงใจทาร้ายตัวเองนี่บาปนะบาปเราต้องรับกรรมคือความเศร้าความทุกข์ ก็เป็นผลกรรมเพราะเราไม่เคยเห็นใจตัวเองเพราะเราไม่เคยมานั่งดูใจตัวเองเราก็เลยไม่เข้าใจตัวเองเราเลยทําร้ายใจตัวเองเขาหายใจวันหนึ่งยีบสี่ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยไม่มีแม้แต่หยุดหนึ่งวินาทีเขางานหนักมากตั้งแต่เกิดมาแทนที่เราจะเห็นใจเขาเราซ้ำเติมเขาคิดดีใจก็ลงใจเสียใจก็ลงใจตกใจก็ลงใจ หัวใจมันทำงานหนักมากทุกคนก็เลยเป็นโรคจิตโรคใจเป็นหมดหมอตรวจว่ายังไม่เป็นเป็นแล้วนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่แสดงอาการเฉยเฉยเพราะว่าจิตไม่อิสระจิตเป็นาธาตุของอารมณ์อารมณ์อยากที่ใจใจก็เป็นาธาตุของจิตมันไปส่งปัญหาต่างๆไปกระทบที่ใจหัวใจอ่อนแอเมื่อมันปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายไม่พอเนี่ยพุคุ้มกัน เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพ่องโครคภัยไข้เจ็บก็แทรกซ้อนนะพุ่มพวงดวงจันทร์เขาเอ่ยชื่อนะแกก็จากเราไปแล้วนะเออเขาก็ทำหน้าที่เขาสร้างชื่อเสียงในวงการออนักร้องนักอะไรเนี่ยนะตอนอยู่อเมริกาพวกคือพวกคูไปนั่งฟังพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเพลงที่อเมริกานะเขามีพรสวรรค์เด่สุดท้ายกรรมกรรม ที่เขาลองรับเชิญมากๆเขาทำอะไรโอเวอร์โหลดคือว่าเกินขอบเขตมันไม่ทางสายกลางเพราะความอยากได้มีลาบยศสรรเสริญจนทำแบบไม่ระวังตัวก็เป็นโรคภูมิแพ้และสุดท้ายเขาก็มีเงินแต่รักษาก็สุดท้ายก็คือเสียชีวิตคนเราไม่ได้ตายเพราะโรคภูมิแพ้เราตายเพราะโรคภูมิแพ้มันทำลายภูมิคุ้มกันอะทให้โรคแทรกซ้อนอย่างอื่นเข้ามา นะพุ่มพวงเสียงชีวิตเพราะมีเงินรักษาแต่หลายปีก่อนนางสาวเอตอนนี้ยังอยู่นะแต่พ่อ ก, กูไม่เจอเขาหลายปีแล้วละยังไม่ได้ยินข่าวว่าเขาตายสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขาก็เป็นโรคพุงแพ้เหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์วันแรกที่มาที่ศูนย์เนี่ยเหมือนไม้เหมือนผีเดินได้นะไม้เสียบผีเลยพร้อมหน้านี่เกลียมหมดอันนี้อันนี้เขาแพ้ทางผิวหนังผมนี้ร่วงหมดละ คุณหมอบอกเขาว่าไม่ต้องรักษาแล้วมันไม่หายแล้วละ่ะไปวัดซะไปทำใจไม่เกินสองเดือนพุ่มพวงดวงจันทร์จะเอามาเป็นหางเครื่องเขาก็ไม่อยู่ที่นี่เขาก็ไม่อยู่ที่นี่นะปฏิบัติไปสองเดือนมันก็ยังไม่ตายมันกลับฟื้นขึ้นมาอีกนะทีนี้คนทั้งนอกเห็นแต่ก็ไม่เห็นพี่น้องรู้อยู่แล้วมันเป็นมัน รักษาไม่หายแล้วมาอยู่ที่นี่พอมันฟื้นแล้วก็ก็บอกว่าเป็นเพราะมันมาอยู่ที่นี่เนาะเป็นเพราะอะไรก็ช่างนะเพราะครูดูแลเขาตลอดพี่น้องก็ไปนั่งมานั่งดูแลนะกลางคืนเวลาเขาหนาวเนี่ยเอาผ้าแปดผืนเนี่ยก็ไม่อยู่มันหนาวเขาไปในกระดูกเลยเขาทรมานมากนะสุดท้ายเขาก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วทาให้ภูมิแพ้กลายเป็นภูมิชนะ ไม่เหมือนแม่ชีเราบางคนปุ๊บหนึ่งก็รีบไปหาหมอหาหมอหาหมอนะระวังนะไม่มียารักษาโรคเวรโลกกรรมนะมีแต่ไปหาหมอมียายาระงับเฉยๆนะเพราะเราไม่ควร ม, มีความอดทนต่อสู้กับมันเอาละ่ะเขาฟื้นเขาก็ไปใช้ชีวิตอีกหลายปีบังเอิญบุญกุศลที่มันสร้างมาก็มีให้มันมาเจอกรรมที่มันสร้างมาก็มีนะ แฟนมันเนี่ยบางเอิญเขาแต่งงานเขาก็ไม่มีลูกแฟนมันก็คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่สามารถเลี้ยงบารีเป็นลอดช่องเป็นนะเขารู้ว่าการมีชู้เนี่ยมันผิดศีลแฟนเขาก็เลยไม่ต้องมีชู้ไปมีกิ๊กนะไปมีกิกไอ้นี่ก็เศร้าอีกทุกอีกนะก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวเต่ที่นี้มันก็เป็นอีก อาการก็แสดงอาการอีกนะเขารู้เลยว่าจะต้องไปไหนก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกสามเดือนตอนนี้เราเลือกชาติได้ยี่สิบกว่าชาติไปเลยสาสิบปีพ่อพูอยู่ที่นี่เนี่ย พ, พ่อูกเพิ่งเจอคนแรกนี่ที่เขาทุกทรมานมากๆเขาโดดขึ้นเนี่ยเขาเอาหัวฟาดพื้นดิ้นแผๆๆ เราก็เอาเบอกะไปหนุนหัวเขาเข้อาออกเขาต้องเจ็บเขาเห็นภาพนิวิตว่าเขาเคยไปตีหัวประดุกพุ๊บมันกด็ดินแปมันรับกรรมทีละจุดทีลชาติทีลชา ต, ชาติบางเอิญเกือบยี่สิบชาตินั้นมีสองชาติที่เขามีโอกาสมาเจอาศาสนานชาติหนึ่งเป็นภาพาธุดงมันเป็นเพียง วางลูกวางเมียไปทุดดงนะแต่ก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บอีกแต่ก็ยังตายแบบสงบแต่ว่าวางไม่ลงก็คือว่าภรรยาก็มานั่งร้องไห้อยู่ตรงข้างหน้านะนะก็ยังติดบ่วงตรงนี้อยู่นะแล้วก็ไปเป็นนางฟ้านะนางฟ้าก็ไปปิ้งเทวดานะเกิดมาเป็นงูงูใหญ่มากอยู่ในถ้ำ ก็ไปแอบฟังพระธุดงค์เข้าทั้งเทศนาอะไรพวกนี้นะนะเขาฟังได้เด็กเขาพูดไม่ได้นะเป็นละกรหมดแล้วก็ชาติสุดท้ายที่เขาจะมาเกิดในชาตินี้ชาติสุดท้ายเนี่ยเขาเคยบวชชีเนี่ยอา น, นิสงส์ที่เขาเคยบวชมาเนี่ยไอ้กรรมที่มันสร้างมาเนี่ยมันก็ต้องมารับแต่อา น, นิสงส์ที่บวชปุ๊บก็ให้เขามาเจอแนวทางนะอยู่ที่ว่าสองด้านนี้ตัวไหนจะมากกว่ากันนะ ชาติที่เขาทำกรรมมากที่สุดชาติที่เ็เป็นนายพนฆ่าสัตว์อยู่ในกรรมฐานเขายิงกวางตัวใหญ่ๆมากเขาก็แบกไม่ได้เขาก็ลากลๆกลกลา ก, ลา ก, ลา ก, ลากสุดท้ายเขาก็สลบอยู่ในป่านั้นเขาก็ร้องว่าใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจนมันไม่มีแรงนะอยู่ในกรรมฐานเขาได้กลิ่นเลยจนวยกวางมันเน่า แสดงว่าหลายวันพอสมควรทีนี้ก็มีนายพานคนอื่นหนึ่งมาช่วยเขากลับบ้านชาตินี้ก่อนจะตายก็นอนตายแบบป่วยตายไม่ตายดีสักชาตินึงนะมีชาตินึงเกิดเป็นหมูระวังนะสัตว์สี่ขาตัวใหญ่ๆขึ้นไปนี่โดยเฉพาะวัวม่เกิดเป็นหมูหมูมันก็แอบดูเจ้าของหมูเจ้าของหมูคืออดีต สามีเขาแล้วก็ไอ้แฟนมันชาติปัจจุบันนี่ก็อดีตสามีชาติที่เขาเกิดเป็นคนสุขโขทยัยน่สามีเขาเนี่ยก็ถูกเกณฑ์ไปรบ ก, กับพมา่าอันนั้นก็อายุมากแล้วคิดว่าจะได้แก่ตายไม่พอสามีตายปุ๊บเขากองศพเท่าภูเขานะพวกภรรยาต่างก็ไปไปหาหาสามีเขาก็ไปเห็นสามีเขาแทนที่จะแก่ตายก็ตอมใจตายและภาวณาตัวว่า ฉันรักเธอมากๆฉันจะตามเธอไปทุกชาติระวังอธิษฐานบา ร, รมีมันจะส่งผลพี่เอก็เลยมาเจอผู้ชายคนนี้แล้วพอครั้งสุดท้ายสามเดือนเขาละลึกชาติเขาใช้นี่กรรมอย่างแสนสาหัสนะเขาฉีออกมาเนี่เป็นเม็ดๆเลยอะไรเนี่ยนะ คือหน้าตามันดูไม่ได้หลายคนไม่กล้าเข้าใกล้นะ่ะนะมีพ่อครูกับครูปุ้ยดูแลมันนะเขาฟื้นยังไม่ดีกําลังหายดีๆเพื่อเพื่ ก, ก็เอาผู้ปกครองเขาเอากลับบ้านได้ยินมาไปอยู่บ้านนอกวันไหนเขามีอะไรปุ๊บเขาไปนอนที่เมนเมนเผาผีนะ่ะเขาก็ไม่กลัวผีนะแต่คนเขาหาว่าเขาเป็นคนบ้านะเพราะเขายังไม่จ่ายหนี้กรรมทั้งหมดแต่เขาก็ยังฟื้นนะคนมีเงินน่ะ รักษาแล้วก็ตายอันนี้เล่าให้ฟังพอเขาฟื้นดีสักพักหนึ่งพวกกูว่าเอา้าไปทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเทีาา่ยวผาอะไรพี่ของเจียมเลยไป เ, าเนาะผาแต้มตอนนี้พวกกูไม่จำอะไรแล้วนะเ้านะตื่นตีสี่ไปขับรถไปหลายคันเช้านั้นน่ะท้องฟ้าเปิดกว้าง ดวงจันทร์เต็มดวงก็ยังไม่ลงเลยนะพระอาทิตย์ลูกใหม่ก็ขึ้นมาเขาก็ถ่ายรูปไปมีทั้งพระอาทิตย์มีทั้งดวงจันทร์นะเขาถ่ายเสร็จแล้วพ่อคูว่าเห็นอะไรบ้างพีเอบอกว่าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหนเขาบอกนั่นไงนั่นไงพ่อคูวันไหนเขาก็บอกเอ้พ่อคูจะแสดงทำอะไรอีกนะเขาบอกนั่นไงนั่นไงเขาบอกพระอาทิตย์ขึ้นพ่อคูบอกพระอาทิตย์มันไม่ขึ้นมันไม่ลง โลกมันหมุนโลกมันหมุนเนี่ยผ้าชิดขึ้นอยู่ผาชนะใดกี่โมงลงที่หาดคู้เดือกี่โมงเด็กมันก็รู้ว่าเข้าใจว่าผ้าชิดขึ้นผ้าชิดลงผ้าชิดไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงมันอยู่เฉยๆเข้ามันแต่โลกมันหมุนไอ้เจ้าเอนี่บอกพ่อครูว่ามันเวียงทิ้งหมดแล้วทุกอย่างเวียงหมดเหลืออยู่อย่างเดียวเวียงไม่ทิ้งเพราะอะไรมันอกหักเพราะแฟนไม่รักเห็นไหม ไปโทษอีกที่มันอกหักเพราะแฟนไม่รักไปโทษว่าผ้าทิดขึ้นบอกเอคิดผิดคิดใหม่ได้นะที่เธออกหักเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะแฟนไม่รักเพราะเธอโง่เองไปหลงรักมันเวียงมันทิ้งซะมิได้โทษคนอื่นเพราะเราไปหลงรักเขาต่างหากไม่ใช่เขาไม่รักเราเราโง่เองไปรักมันทานําไมโดยเฉพาะไอ้คนโง่ๆคนไม่มีศีลน่ยไปรักมันทําไมนั่นแหละระวังนะคนที่เจอความรักแล้ว ดูดีๆว่ามันรักจริงหรือเปล่าหรือแค่หลงรักตกหลุมรักตกหลุมพางรักเดี๋ยวก็จะทุกข์นะเอเขาแสดงธรรมเป็นเพราะเธอดา่าฉันนะฉันจึงทุกข์มันมีปากมันก็ดา่าเรามีหูก็ได้ยินเรามีสิทธิ์ไม่เอามาคิดที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราโง่เองเอาคำดา่ามันมาคิดให้มันทุกข์เห็นชีวิตเราเป็นอย่างนี้อัตตหีอตัอตนโนนาโถ ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนแก้ที่ตัวเองเป็นพราะเขาผิดเป็นไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครหรอยังไม่รีบให้อภัยอีกนะวันนี้เป็นวันปีใหม่เรามาทานทุกคนมาทำบุญเอาลูกหลานเอาครอบครัวมาแทานที่ครอบครัววันปิดปึ๊บไปซิ่งกันไปเที่ยวทะเลไปเพิ่มอาหารให้กิเลสอันนี้เราเอาครอบครัวเราเนี่ยมาเอากิเลสออกมาทาบุญเราได้ทาทาน ได้มารับศีลได้มาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาครบองค์หมดทานศีลภาวนาอยู่ในนี้นะเอากิเลสออกไม่ใช่ไปเพิ่มกิเลสทํางานมือเหนื่อยทั้งปีโอ้ต้องให้กําไรชีวิตนะไปซื้อกุ๊บทัวไปเนี่ยถอสังขารไปเหนื่อยกรัวเก่านะไปเดินปีนภูเขาอะไรเหนื่อยว่าโอ้มีความสุขแล้วก็ไปกินอะไรสนองกิเลสมาแล้วสุดท้ายก็ม า, ปาเป็นโรคภัยไข้เจ็บ อันนั้นไม่ใช่ให้กำไรชีวิตอันนั้นให้กำไรกิเลสตอนนี้เราพาลูกหลานมาศูนย์พรลานคอยเนี่ยใช่นี่คือกำไรชีวิตเรามาชำระล้างไอ้ความโลภความตณีเราออกไปนะแล้วก็มารับศีล น, นะมาฝึกจิตจเจริญภาวนานะทานศีลภาวนาก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใย